วิธีสลัดจีวรที่เป็นนิสกีสลัดแก่สงภิกษณุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงห่มอุตราสงเฉียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุณีผู้แก่พรนสานั่งประยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าจีวรผืนนี้ดิฉันแลกเปลี่ยนกับภิกษุณีแล้วชิงเอาคืนเป็นนิสกีดิฉันขอสละดจีวรผืนนี้แก่สงครั้นสลัดแล้วพึงแสดงอาบัตภิกษุณีผู้ฉลาดสามารถ พึงรับอาบัตพึงคืนจีวันที่เธอสละให้ด้วยยติกรรมวาจาว่าแม่เจ้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าจวันผืนนี้ของภิกษุณีชื่อนี้เป็นนิสกีเธอสละแก่สงฆ์ถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงคืนจีวันผืนนี้ให้แก่ภิกษุณีชื่อนี้สละแก่คณะภิกษุณีรูปนั้นพึงก็ไปหาภิกษุณีหลายรูปห่มอุตราสงเฉวียงบาข้างหนึ่ง กลับเท้าภิกษุณีผู้แก่พรรษานั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าทั้งหลายดิฉันขอสละจีวันผืนนี้แก่แม่เจ้าทั้งหลายครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัตพึงคืนจีวันผืนนี้ให้แก่ภิกษุณีชื่อนี้สละแก่บุคคลภิกษุณีรูปนั้นพึงก็ไปหาภิกษุณีรูปหนึ่งโฮมุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งนั่งประยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าดิฉันขอสละ จีวรผืนนี้แก่แม่เจ้าครั้นสลายแล้วพึงแสดงอาบัติใหฉันคืนจีวรผืนนี้ให้แก่แม่เจ้า